50 languages. พบหมอ Doctor ke मेरी मुलाकात 10โมงเย็นคุณชื่ออะไรคะ आप क บคाณชื่ออะไรคะคนับคุณชื่ออะไรคะครับคุณชื่ออะไรคะค्ับค र ณชื่ออะไรคะครับคุณชื่ออะไรคะารับคุณชื่ออะไรคะครับคุณมีประกันกับบริษัทไหน आपकी इ อ श นชูเรนซ์กี่ห้างคีดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหม म เม่อ ap คีแก่มาดัต์กाครัสักตาฮคุณมีอาการปวดไหมคะแก่อ ap ด र รด์แมสซูส์ก์ ह รंบเหเจ็บตรงไหนคะดัดกห้างฮรหดิฉันปวดหลังเป็นประจำ मेरी कमर में हमेशा दर्द रहता है। ड ิฉันปวดหัวบ่อย मेरे सर में अक्सर दर्द रहता है। ดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง कभी-कभार पेट में दर्द होता है। ถอ र सेर ออกค่ะ अब ऊपर पहने हुए कपड़े उतार दें। นอนบนเตียงตรวจค่ะ ความดันโลหิตปกติ र र ल ल blood pressure normal เันจะฉีดยาให้คุณ म มं आपको injection ลากาเดต้าหุ่ม न ันจะให้ยาคุณแม้ आप ก็โกลียाเดต้าหุंมแม้ผมก็แेบเล็ตเดต ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา म ม่ आ प क อาेกู क ल स्टोर के लिए एक ีुย् ख ा देता ह ่งง